เพื่อการตั้งใจตั้งใจให้ดีใจนี่มันอาศัยขันห้าเป็นอยู่ขันห้าเป็นของไม่เที่ยงอีกได้หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสขันธมารมารคือขันห้าเป็นอย่างไร มนันคือขันห้าเะเวลาเราจะทำคุณงามความดีมันก็บันดานให้เจ็บนปวดนี่นเหนื่อยเมื่อยล้าหิวหลับหิวนอนอะไรต่ออะไรมันนี้เนะี่ยมันก็บันดานให้เกิดติบัต จะ ร, ร, รุนแรงจริงๆก็ไม่ใช่แต่พอให้รำคาญบุคคลผู้ไม่รู้เท่าก็เลยอ่อนแอไปตามมันอ้างว่าตนไม่สบายอย่างนั้นอย่างนี้แท่ที่จริงเน้วยหลง กนมายาของของมารคือขันห้าเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่ารู้เท่ามารเหล่านี้ <c oughs> ถ้าไม่รู้เท่ามารเหล่านี้ก็ทําความดีไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ไม่ได้เดินจงกรมก็ไม่ได้ทัานจะเดินยกโกรหัวเมือม่อยแข้งเมือ่อยขาเมื่อยไว ท่า น, นจะนั่งภาวนาโหเจ็บหลังเจ็บเอวปวดแข้งปวดขาทนไม่ไหวมันก็เลยทำความดีทำความเพียรไม่ได้ถ้าไปอ้างอย่างน้นอย่างที่อยู่ในนี้ในเมื่อเราพิสูจนดูแล้วว่าความเจ็บปวดเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของประจำ มันเกิดขึ้นชั่วคลาวเท่านั้นความอ่อนแอรหรืออะไรอ่อนเพลียรหรืออะไรโมนี้ก็ตามสังเกตเห็นได้เวลาไม่ทำความเพียรมันแข็งแรงอยู่แต่เวลาทำความเพียรเข้าไปแต่มันอ่อนแอลงนี่แสดงว่ามานคือกิเลสมันคอยขัดขวางมันบันดาลให้เป็นโน้นเป็นนี่ ขึ้นสั่วขณะหนึ่งเพื่อทำจิตใจให้ทอแท้อ่อนแอในการทำความเพียร เ, เช่นนี้นะบุคคลไม่ควรไปหลงคนมายาของขันธมารเหล่านี้เราต้องรู้เท่า มัจจุมานก็เหมือนกันคือความตายบุคคลย่อมสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายอย่างนี้เนี่ยอัจจะทำอะไรเข้มแข็งเข้าไปทำความดีเข้าไปกลัวตายกลัวาอายุจะไม่ยืนยาวนานนี่ เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่ไม่รู้แจ้งในความตายจะตามเป็นจริงจึงมีใจโย่อท้อหวาดกลัวต่อความตายจะทําอะไรหนังหนาไปก็กลัวตายอย่างนี้นะจะทําความเพียรเด็ดเดียวอดนอนผ่อนอาหารเพื่อทําให้กิเลสอย่างหยาบแล้วมันเบาบางลงไปอย่างนี้ก็ทํำไม่ได้ เมื่อกิเลสมันครอบงำใจก็ให้มันครอบงาอยู่นั่นแหละไม่กล้าทําความเพียนเด็ดเดียวกลัวเจ็บ ก, กลัวป่วยไข้กลัวตายอะไรไปทํานองนี้นะนั่นแหละเมื่อจิตใจเป็นอยู่ยนี่มันก็เอาชนะกิเลสหยากๆมันไม่ได้เลยผู้ประพฤติพรหมจรรย์ส่วนมากที่ ดำรงอยู่ใน <c oughs> ที่ดำรงอยู่ในพรหมจรรย์ไปไม่ได้ตลอดก็เพราะเหตุเนี่ยขั้นเมื่ออยู่ธรรมดาธรรมดาไม่เป็นไรไม่เจ็บป่วยแข็งแรงดีขั้นเวลาทำความเพียนจะกํกรรมจัดกิเลสออกจา ก, กจิตใจกลับไม่สบายไปเสีย ท่อแท้เข้าไปท่านคิดว่าจะอดนอนผ่อนอาหารอาคใจพับก็ไว้แล้วไม่ไหวก็ อ, อย่างนี้เป็นเปล่ออาชนะกิเลสได้ยังไงอ่ะเพราะนั้นเราไม่ต้องอ้งก็ อ, อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละให้ถือว่าเป็นมาร คอยขัดขวางไม่ให้เราทําความดีไม่ให้เรากาจัดกิเลสในหัวใจนี่ให้น้อยเบาวางไปเราไม่ต้องวนไว้กับมันเมื่อเรารู้ว่าเป็นมารเป็นเครื่องขัดขวางในการทำความเพียรแล้วเราไม่ต้องวนไว้ อสละตายลงเราตายอยู่ด้วยความเพียรเพี่งวินิจอยู่นี่ดีกว่าที่จะไปตายอยู่ในกองกิเลสให้กิเลสมันครอบงําย่ํายีบังคับไปทําความชั่วต่างๆแล้วตายลงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพีนของดีมันจะนําไปสู่ทุกข์อวัยภูมิ นั่นที่เคยพูดบ่อยๆอยู่แล้วถ้าใครไม่เชื่อว่านรกมีอย่างนี้เนี่ผู้นั้นก็จะไม่รีบเร่งกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากหัวใจถ้าผู้ใดเชื่อว่านรกมีบุคคลจะไปนรกก็เพราะทำบาปอย่างนี้นะถ้าเชื่ออย่างนี้แล้วเมื่อเรารู้ว่า ความคิดที่นี้มันเป็นบาปแล้วก็กำจัดมันเนี่ยหากข้ามไม่ให้คิดสอนใจของตนไม่ให้คิดแต่นในเรื่องบาปอากุศลต่างๆควรจะนั่งการเรียนรู้เรื่องว่าอะไรเป็นบาปบาปนั้นมีกี่ชั้นนี่จึงเป็นสิ่งสําคัญ่ะบาปมันเกิดขึ้นที่ใจก่อน เมื่อรังับใจไม่ได้แล้วมันจึงแสดงออกทางกายทางวาจามันเป็นอย่างนั้นเจริกิเลสยังหยาบก็เคยพูดบ่อยๆ อ, อยู่แล้วราคะโทสะโมหะก็ดีหรือความโลภความโกรธความหลงก็ดี อันนี้เป็นมูลเหตุให้บุคคลเราทำบาปนี่ต้องรู้ไวอันบุคคลทำความชั่วต่างในโลกนี่มันตกเป็นธาตุของกีเลสสามกองนี่กองใดกองหนึ่งไม่กองใดก็กองหนึ่งแหละทำชั่วมากกว่าฆ่าคนก็ดีฆ่าสัตว์ดยบชั้นก็ดีโมนี่มันล้วนตั้งแต่เกิดจากความโลภ อยากได้สมบัติผืนแลาเป็นปของตนอย่างรุนแรงถ้าหาเอาโดยสุจริตไม่ได้ก็ลงมือทุจริตกันยี่ปล้นเอาข่าเอาอย่างนี้นะนี่มันเกิดจากความโลภอะ น, นั้นนะอันเกิดจากความโกรธนันเรื่องจากว่าไปโตเถียงกันทัศนะความเห็นไม่ตรงกัน ทกเทียงกันไม่ลงรอยกันอย่างนี้แล้วเอาละคูใ้ใดมีอาวุธเลยก็ชักออกมาประหัตประหารกันตายลงไปฝ่ายหนึ่งหรือไม่ก้อตายด้วยกันทั้งสองก็มีนี่เรียก ว, ว่าความโกรธบุคคลไปทำบาปทำปนาธิัาิได้เพราะความโกรธอย่างนี้อย่างหนึ่งก็เห็นสัตว์ที่มีพิษ อย่าเอามันไว้เลยสัตว์เหล่านี้มันมีพิษมันทำลายชีวิตของคนฆ่ามันตายหรือว่ามันมากบมากัดเข้าไปกบฆ่ามันตายลงไปอสัตว์จำพวกหนึ่งมันเป็นอาหารของมนุษย์ไม่ฆ่าก็ไม่ได้ไม่ฆ่าก็ ม, มีอันจะกินอันนี้ก็จำเป็นต้องฆ่า เลี้ยงสัตว์ด้วยขายบ้างฆ่ากินเป็นอาหารบ้างอะไรพวกนี้มันเป็นประเพณีของมนุษย์เราในโลกนี้ไม่ว่าชาติใดภาษาใดทำกันอย่างนั้นเป็นธรรมดาไม่รู้สึกว่ามันเป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมอะไรไม่รู้เลยรู้แต่ว่าเสียงไว้สําหรับขายมันได้เงินมาใช้สอย เรื่องไว้สำหรับห่ากินเป็นอาหารรู้แต่เท่านั้นเรื่องบาปกรรมเรื่องเวรเรื่องภัยไม่คิดไม่ไม่คิดถึงไม่คำนึงหงามเลยนี่เรียวว่าคนเช่นนี้เป็นผู้ไม่สนใจในเรื่องศาสนาไม่เคารพต่อพระธรรมคำสอนของพระ เ, เจ้าเลยเพราะว่า คำสอนของพระเจ้านั้นพระองค์เจ้าทรงแสดงว่าการที่บุคคลเราทำบาปลงไปเนะ่บาปนั้นมันไม่ใช่มันให้ผลทันทีเลยก็ดัง ท, ทงที่ทรงแสดงไวในคัมภีร์เนี่ยนนบุคคลทำบาปในโลกนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมสวยทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มินรุก มีนรกเป็นต้นอย่างนี้นะนั่นก็แสดงว่าบาปที่ทำในปัจจุบันนี้มันยังไม่ให้ผลให้อยู่แต่ให้ผลทางใจทําใจเศ้าหมองขุนมัวไปอย่างนั้นก่อนแต่จะใ ห, ให้ให้มันให้ผลทางกายเช่นตนไปฆ่าเขาแล้วทำให้เขามาฆ่าตนตอบแทนกันในปัจจุบันนี้ทุกไลายไป น, นี่ไม่มี มีบางลายเท่านั้นแหละตนไปฆ่าเขาแล้วก็เขาญาติของผู้ตายก็พยายามแก้แค้นแทนผู้ตาย อ, าอ้าวหาได้ช่องทางก็ฆ่าคนนั้นลงเสียอย่างนี้มันก็มีน้อยถ้ารายใดก็ลายนั้นแล้วอย่างนี้นี่คนจะขยาดกลัวเหมือนกันเนี่ยเมื่อคนนั้นไปฆ่าคนอื่นตายลงไปแล้ววันนี้ ไม่ทันใดก็เขามาฆ่าคนนั้นตายเป็นอย่างนี้ทุกลายไปแล้วคนจะต้องกลัวไม่กล้าที่จะไปฆ่ากันแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่บางคนก็รวยล อ, อยนวลอยู่จนหมดอายุสังขารจึงคถ่ละโลกนี้ไปก็มีคนมันชะล่าใจตรงนี้แหละ ทำบาปทำกรรมตามที่พระพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วมันไม่มีผลปรากฏในปัจจุบันไอ้่าสัตว์ดีรักษ า, าต่างๆนี้ยิ่งแล้วเลยยิ่งไ ม, ไม่ปรากฏผลนะฆ่ากันอยู่กับแทบทุกวันทุกวันมันก็ไม่ปรากฏผลนะก็ยังดีๆอยู่ผู้ใดก็ดีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเจ จะให้มันกลัวต่อผลแห่งการกระทานั่นอำนวยผลให้เป็นทุกข์มันจึงไม่กลัวกันเลนยเพราะมันไม่มันไม่มองเห็นผลในปัจจุบันไม่วินิจใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าให้ละเอียดถี่ถ้วนคนส่วนมากนะเหตุนั้นมันถึงไม่รู้แล้วเนี่ยถึงไม่รู้แจ่มแจ้งในใจ ก็องอุปมาไวเหมือนอย่างเก้าอี้ตัวเดียวเมื่อนายกอไปนั่งแล้วนายขอจะไปนั่งก็ไม่ได้เพราะมันจำกัดที่เมื่อนายกออกไปแล้วนายขอจึงค่อยเข้าไปนั่งได้นี่ท่านอุปมาเรื่องบาปกรรมนี่นะเป็นอย่างนั้นดะงนั้นในเมื่อบาปยังให้ผลแก่บุคคลผู้นั้นอยู่เนี่ยบุญนั้นจะ เข้าไปตั้งอยู่ในหัวใจจะไปมีอำนาจขจัดบาปกรรมนั้นให้เวนนั้นให้หมดไปสิ้นไปไม่ได้เลยมันต้องรออยู่อย่างนั้นแหละแต่บุญที่ทําไม่ได้หายไปไหนนะรออยู่นั้นนะติดต่อให้ตามไปคันเมื่อบาปนะั้นมันให้ผลหมดลงไปแล้วบุญก็ให้ผลสืบต่อแล้วันนี้นะออมันเป็นอย่างนั้น บุคคลพวกนั้นก็ได้รับความสุขความสบายไปเวลาบาปให้ผลอยู่นี่ก็ได้รับทุกข์ทนทรมานนี่มันต้องเรียนรู้ของมู่นี่นะผู้ใดเรียนรู้แล้วก็กลัวบาปแล้ววันี่กลัวบาปมันจะสนองให้ตนเป็นทุกข์ไปในโลกหน้าต่อไปแล้วก็กลัวมันจะสนองให้เป็นทุกข์ในปัจจุบันก็กลัวอย่างนี้แหละ เมื่อความกลัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่กล้าล่วงพุทธบัญญัติแบบนี้นะไม่ไม่มีข้อแม่ไม่ต้องอ้างเอาอะไรมาอ้างอิง ก, การที่สำรวมระวังในบาปในโทษไม่ได้เพราะอาชีพเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุที่อย่างนี้ไม่มีข้ออ้างเลยถ้าหากว่าเห็นโทษของกรรมชั่วต่งางๆเหล่านี้ได้ด้วยปัญญาของตนเองแล้วนะไม่มีข้ออ้างเลย มีแต่เมื่อตนเบื่อทุกเ <c oughs> <c oughs> มื่อตนเบื่อทุกในสงสารแล้วก็มีแต่ละ บ, บาปลูกเดียวไม่ต้องอ้างอะไรแม่ละ บ, บาปแล้วมันจะอดตายก็ให้มันอดไปมันจะหา ก, กินไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปให้มันตายไปซะ ดีกว่าทําบาปแล้วบาปนําไปสู่ทุกข์ในโลกหน้ามันเป็นทุกข์อยู่นานอชีวิตนี้มีน้อยทีดเดียวหนึ่งอไม่ควรจะไปหวงแหนอะไรนักหนาจนว่าใช้กายวาจาใจนี่ทำบาปกรรมสะสมบาปกรรมใส่ตนเองไว้แล้วไม่นานก็แตกตายทําลายแยกออกจากกันกายก็ลงถูกพื้นดิน จิตก็ไปตามกรรมนี่ท่านบุรคิดเห็นอย่างนี้แล้วเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่นิน้อยนิดเดียวอย่างเงี้ยเห็นว่าทางไปเบื้องหน้านุ่นยืนยาวนานมากถ้าไปตกนรกก็นานกว่าไปอายุ ข, ของเทวดาบนสวรรค์นี่ว่าตามตำราเท่าตัวนุ่น อย่างว่าไปตกนรก 2,000 ปีทิพย์อย่างนี้นะมันนั่นแหละมันเท่ากับอายุของเทวดาได้พันปีทิพย์เท่านั้นเองนะแต่อายุของมันของสัตว์นรกยืนไปถึง 2,000 ปีนู่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะ่ะพระพุเทธเจ้าจึงพระองค์มีมหากรุณา สงสารสัตว์โลกเป็นอย่างยิ่งจึงได้อุตสาหพยายามแสดงทำกันใดอาจจะไม่ปรารบถึงนรกอบายภูมินี่แทบจะไม่มีเลยในพระสูตรต้นตาิดกข้าไม่เชื่อลองไปอ่านดูก็ได้ภูตะดดกีถ้าพระ อ, องค์ไม่เห็นแจ้งอย่างนั้นพระ อ, องค์ไม่เอ็นดูสัตว์โลกทั้งหลายไม่อยากให้ตกทุกข์ได้ยากลําบาก พระองค์จะไม่แสดงเลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่เชื่อแล้วมันประมาทมันคัดค้านถ้าผู้เชื่อแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้เนี่ยความโกรธนั้นมันทำให้คนเราทำบาปทำกรรมได้หลายอย่างทีเดียวไม่ใช่เฉพาะแะ่ป า, านาธิบัตอธินนาทานการไปลักไปปล้นไปกี้เอาสมบัติของผู้เราไปขงมน มันก็เพราะขาดความเมตตากรุณาในเจ้าของทรัพย์เขาจะทุกทุกได้ยากลําบากอะไรก็ไม่ไม่คํานึงถึงคํานึงแต่อยากจะได้สมบัติที่เขาหามาไว้แสนทุกเส้อยากนั้นมาใช้สวยอย่างสบายๆเท่านั้นแหละเนี่ยอย่างนี้นะมันก็บวกความหลงเข้าด้วยอะไรแบบนี้นะ่ ก็เพราะมันหลงมันไม่รู้แจ้งเห็นจริงในโทษทุกข์ต่างๆดังกล่าวมานี่นะมันจึงไม่ละเว้นกามเมมุสาสุราก็เหมือนกันก็เพราะมันไม่เชื่อวัานารกมีจริงสวรรค์มีจริงนี่แหละมันถึงทำกันคนเรานะถ้ารู้ว่า เมื่อตนเว้นจากบาปจากโทษนี้ได้จริงๆแล้วล่โลกนี้ไปแล้วตนจะบันเทิงในสวรรค์แน่นอนถ้าผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วมันไม่ทำชั่วแล้วเว้นจากกรรมมันชั่วทีเดียวเพราะว่ามองเห็นชีวิตไปข้างหน้านะั้นมันยืดยาวนานไอ้ส่วนชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่เหลือน้อยเต็มที เนี่ยต้องมาบวกลบคูณหารเรื่องชีวิตใส่กันเข้าประกอบเขบ้า อ, อ, อ, อีกโสดหนึ่งด้วยมันจึงมองเห็นว่าไม่ควรทำบาปนั่นเลยเพราะว่าอายุน้อยเหลือเกินะเมื่อทำบาปไปแล้วจะมาเพียนไล่มันออกไปจากคิตใจนี่มันยากเต็มทนนะไม่ทันไลยก็ความตายมาถึงแล้วละบาปก็ยังไม่หมดบาปปรติดตามให้ผลเป็นทุกข์ไป บอกว่าเพราะว่าการละบาปไม่ใช่ว่าละปุ๊บพับมันจะหมดไปทันทีเลยในเมื่อเชื้อมันยังมีอยู่แล้วมันไม่หมดนี้ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ทาความดีให้สูงขึ้นไว้เมื่อความดีมันมีกำลังเหนือบาปนั้นแหละมันถึงจะขจัดบาปนั้นออกไปจากกิจใจได้เป็นอย่างนั้น นำพังแต่จิตนี่เฉยๆไม่มีบุญกุศลคุณพระรัหนะไกลเป็นเครื่องอยู่เป็นที่พึ่งแล้วบาปกรรมมันไม่กลัวเลยมันมีอำนาจสามารถเข้ามาครอบงมจิตนี้ได้คือมาปั่นจิตให้คิดไปในทางเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่สะดุ้งหวาดกลัวเลยเนี่ยอำนาจแห่งบาปกรรมนะ มันทำให้จิตใจนี่หลงไหลไม่เชื่อต่อนรนกต่อสวรรค์อย่างสิว่านั่นเนะ่เมื่อไม่เชื่อต่อนรกต่อสวรรค์แล้วพระนิพพานยิ่งห่างไกล <c oughs> ยิ่งไม่เชื่อเลยมันเป็นอย่างนั้นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบของจิตใจนี่เนะี่ยทีแรกมันก็เกิดจากความหลงนั่นแหละก่อน เมื่อหลงดักเข้าหนักเข้ากลัวเลยปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปไปเลยเนี่ยแล้วทีนี้บุคคลผู้ที่ปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปเข้าไปแล้ววันนี้ก็ปฏิเสธในการกระทําลงในปัจจุบันนี้นะการกระทําอะไรในปัจจุบันนี้มันก็จะไม่ให้ผลไปในเบื้องหน้า ทำเพื่อความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นตายแล้วก็เลเอวไปเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยนี่ความเป็นผู้ขาดปัญญานะแล้วความไม่เชื่อพรับปัญญาตรัสรูร้ของพระพุทธเจ้านะัะมันก็เป็นอย่างนี้เนะี่ยตนไม่รู้แล้วพนี้ยังไม่เชื่อผู้พิเศษผู้ประเสริฐทั้งหลายในโลก นี่มึงก็หมดแหละใครก็ช่วยไม่ได้แบบนี้นะอืก็ไปตามกรรมเท่านั้นเองเนี่ยมีอยู่ท้อไปบุคคลที่ไม่เชื่อคำสั่งสอนของพระเจ้าที่พระสงฆ์นํามาแสดงให้ฟังหรือครูบาอาจารย์นํามาแสดงให้ฟังแล้วไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามเนี่ยมีอยู่ท้องไปนั่นไงแต่ทำโดยวความชั่วใสตัว ตายแล้วคำชั่วนะมันก็ะนำจิตวิญญาณไปสู่นรกอบายภูมิก็มีอย่างนี้แหละทุกขติภูมินะผมเป็นผู้เป็นที่ไปสู่ทุกถ้าถ้าไม่มีแล้วพะพุทธเจ้าไม่แสดงเลยาะพระพ อ, องค์สร้างบา ร, รมีมานานเหลือเกินนี่ก็เพื่อต้องการให้ตัดสรู้แจ้งแทงตลอดโลกนี้โลกหน้าตลอดถึงพระนิพพาน เป็นนวสานแห่งชีวิตนี่พระองค์ก็มีจุดมุ่งหมายอย่างนี้เนี่ยการสร้างบา ร, รมีมาเสียสงไข่ปลายแสนมากับเพราะฉะนั้นน่ะพุทธศาสนิกชนควรเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์บังเกิดขึ้นมาในโลกไม่ใช่มาหลอกลวงคน พระองค์รู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์จึงได้เที่ยวจาริกไปแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายในเมื่อเวลาพราะองค์ยังเสวงหาทางตัดรอยังไม่พบในหกปีนั่นน่ะพระองค์ไม่สอนใครเลยอย่างนี้ว่าแต่ะการสมเคราะห์ก็สมเคราะห์โดยวิธีอย่างอื่นไป ปราไ ม, ไม่ปรากฏชื่อเสียงว่าพราะองค์ได้ไปเทศนาสั่งสอนประช า, ชาชนในบ้านนั้นเมืองนี้ไม่มีเลยในหกปีนั่นน่ะพระองค์เร่งทำความเพียรเพื่อจะให้ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมพทธิยานเท่านั้นเลยลองคิดดูเหตุผลนะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดใน นรกในสวรรค์ในพรหมโลกตลอดถึงพระนิพพานบรรลุแล้วด้วยดีเช่นนี้นะพระ อ, องค์เจ้าจึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังก็ในในครั้งนั้นน่ะพระองค์ตัดสร้มใหม่จนแผ่นดินไหวจนเกิดแสงสว่างทั่วจักรวาลอันนี้เลยด้วย พุทธานุภาพธรรมานุภาพในครั้งนั้นพระสงค์อย่างไม่มี mm hmm. ก็บรรดาให้เกิดแสงสว่างแล้วบรรดาสัตว์ที่เคยเป็นศัตรูกันก็กลับเป็นมิตรกันไปชั่วระยะหนึ่งชั่วระยะที่พระองค์แสดงพุทธานุภาพนั่นเน่ย พอพระองค์หยุดแสดงพุทธานุภาพนั้นแล้วสัตว์หลายก็เป็นเวียนกันอยู่ตามเดิมนั่นเองเป็นอยงั้นดังนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธนะี่ยต้องพิจารณาให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐจริงๆพระองค์จะเป็นผู้ประเสริฐได้กับพระองค์ละบาปมาก่อนไม่ใช่ว่าทําบาปมาแล้วจะมาทําความเียาวนา ไอ้ลักกิเลสตัดสรู้แจ้งได้ทันทีเลยโมไม่มีทางอือัชคิดว่าจะข้างพระองค์เป็นพระเวชสันดอ น, นนะเมื่อได้กลับเข้าไปครองเมืองครั้งที่สองพระองค์ก็ยังสั่งให้ชาวเมืองปล่อยสัตว์ที่เลี้ยงไว้อย่าว่าแต่จะฆ่าเลยนะสัตว์ที่เจ้าคนจับเอาไปกักไปขังมันไว้มันทนทุกทรมาน มันไม่มีอิสระเหมือนอย่างคนคุกคาตารางมนันนะอย่างนี้นะแล้วสัตว์เดรัจฉานนะน้นมันไม่ได้ทำผิดอะไรมนุษย์จับมันไปนเลี้ยงไว้ดูเล่นเฉยๆนี่นะหรือไม่ฉะนั้นก็เอาไปแข่งขันพนันเอาเงินเอาทองกันอย่างนี้มนุษย์มันหลายเหลี่ยมอย่างวะเป็นอย่างงั้นพระเวสสันดรยังสั่งปล่อยให้หมด อย่างนี้เกียรคิดว่างไงเรากับพาะองค์ได้ส่งวีนาเห็นว่าการเบียดเบียสรรรนสัตว์ทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์นี่ไม่สมควรแก่มนุษย์เราเลยสอสมควรจะเมตตาสงเคราะซึ่งกันและกันแต่ถึงอย่างไรคนในโลกนี่กิเลสมันหนามันบางต่างกันพวกกิเลสหนาน่ะจะห้ามยังไงมันก็ไม่ฟังหรอกมันก็ทําดยอย่างนั้นแหละ เหตุฉนั้นโลกนี้มันจึงว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดการฆ่าสัตว์ชำแหลเนื้อมันขายเลี้ยงชีพมันจึงมีอยู่ยนั้นแม่พระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้แล้วก็ยังทำอยู่งั้นเลยแม่พระ อ, องค์เจ้ายังไม่มาตรัสรู้ก็เขาก็ทำกันอยู่อย่างนั้นเลยนี่เ ล, เลยเป็นประเพณีเป็นกฎธรรมดาของมนุษย์เรา ไอ้ผู้ที่ยังกิเลสหนาปัญญายาบอยู่ไม่มีปัญญาที่จะหาเลี้ยงชีพในทางอื่นได้การไปจับสัตว์มาฆ่าขายน่มันง่ายดีเพราะบางยุคบางสมัยเนะี่ยคนน้อยสัตว์ตามบวกตามน้องอะไรกันเยอะแย ะ, ยะไปจับออกมาขายได้เงินไวๆไวทีเดียวเหตุดังนั้นมนุษย์เรามันถึง ไม่ยอมทำตามคำสองของพระเทเจ้าคนผู้กิเลสหนานะคนผู้กิเลสเบาบางลงไปเมื่อพระองค์แสดงถึงโทษแห่งกรรมชั่วเหล่านั้นแล้วก็กลัวว่านี้ไม่กล้าทอมันกลัวอย่างนี้นะมันถึงเว้นได้นะถ้าไม่กลัวอย่างนี้แล้วไม่มีทางมันจะเว้นนะมันเป็นอย่างงั้นเพราะฉะนั้นนะ พุทธศาสนิกชนผู้มีปัญญาทั้งหลายควรพิจารณาตัวเองเข้าไปอันนี้มันเป็นปากทางไปสู่พันนิพพานนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องตื้นตื้นนะพิจารณาให้ดีผู้ที่มาเว้นจากบาปจากโทษจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้นี่นะ นี่นะเป็นปากทางเดินไปสู่พนิพพานต้องเข้าใจเพราะเหตุ น, นั้นจึงพูดแล้วพูดอีกย้ำแล้วย้ำอีกนั่นเองแต่เมื่อบุคคลยังไม่รู้สึกตัวในเรื่องบาปเรื่องโทษดังกล่าวมานี่แล้วอย่าไปเอ่ยถึงเลยเรื่องพนิพพานไม่มีทางหรอกเออถ้าผู้ใดตื่นตัวได้เห็นโทษของบาปกรรมในการ เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นที่พระพุทธเจ้าวันยัดห้ามไว้ห้าข้อนั่นข้อที่ห้านั่นคือการเบียดเบียนตนโดยตรงแต่เบียดเบียนผู้อื่นโดยทางอ้อมแต่สีข้อนั้นเบียดเบียนผู้อื่นโดยตรงเลยทีเดียวอะนี่ลองพิจารณาดูอ่ะการไปทําทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแล้ว ไอ้ทุกข์นั้นจะไม่มาถึงตนนะไม่มีในโลกอันนี้นะเหตุมีอย่างใดผลก็มีอย่างนั้นก็เหตุเมื่อตนไปทําผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนั้นแล้วนะผลที่ได้รับตนก็ได้รับทุกข์ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกับตนไปทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนไปทําให้สัตว์อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละเนีย่ยต้องพิจารณา เหตุผลเรื่องเหล่านี้นะอย่าไปปฏิเสธเรื่องเรื่องผลเรารู้แต่เหตุไอ้ที่ทำไปอย่างนี้ทำเพื่อเลี้ยงชีพบบเพื่อความจำเป็นอย่างนี้แล้วการกระทานี้เข้าใจว่ามันไม่มีผลตามสนองนั่นเดีย ว, ว่ารู้แตเหตุไม่รู้ผลเชื่อแต่เหตุไม่เชื่อผล เมื่อเมื่อเชื่อเหตุแล้วเราต้องเชื่อผลด้วยเปอย่างนั้นก็เหมือนอย่างปลูกคนปลูกต้นไม้ที่มีผลลงในดินใส่ปุ๋ยรดน้ำรักษามันไปเมื่อมันเจริญไวเจริญไวใหญ่โตขึ้นมาถึงกําหนดที่มันผลิดอกออกผลมันก็ผลิดอกออกผลไปให้เจ้าของได้รับประทานบ้างขายบ้างเนี่ยคิดดู ต้นไม้นั้นอุปมาเหมือนอย่างเห็ดอุคคปลูกลงไปเลยแล้วลวันนี้เวลาพิดอกออกผลมาแล้วได้แก็บผลมันเป็นยางไงแต่ทีนี้ต้นไม้นะ่ะมันพอปลูกมาไม่กี่วันกี่เดือนมันจะอกอองามเป็นมเมล็ดเป็นหน่วยขึ้นมาให้เลยอย่างนี้ไม่มีถ้าไปถึงการเวลามันจะเป็นมันก็ไม่เป็น ถึงการเวลามันมาเมื่อใดแหละมันเป็นแหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแนหะบาปกรรมก็ดีบุญกรรมก็ดีเมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันจะให้ผลมันก็ให้ผลไม่ได้นังนั้นนะจึงว่าคนทำบาปทำกรรมมาแล้วจึงเฉยเฉยสบายสบายอยู่สบายสิบาปกรรมที่ทำนะมันยังไม่ให้ผลนะมันก็สบายแหละ ต่อเมื่อมันให้ผลลงเมื่อใดนั่นแนหะมันจึงได้รับทุกข์านี้เมื่อมันไม่ให้ผลในชาตินี้มันก็ไม่ให้ผลเวลาจวนจะตายเมื่อเวลาจิตออกจากร่างนี้บาปกรรมก็สุดคร่าเอาไปเลยให้สวยทุกข์อยู่ในอวัยภูมิตทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนี่เหตุผลหให้พี่นามันเห็นด้วยตนเอง แม่บุญกุศลก็เหมือนกันเน่ยเมื่อบุคคลได้รวบรวมไว้ในจิตใจของตนแล้วบุญคุณนั้นไม่ห่างจากจิตใจตนไปไหนบุญคุณก็ไปด้วยตนอยู่ไหนบุญคุณก็อยู่ด้วยตามรักษาจิตใจไม่ให้ตกไปทางบาปอากุศลเทท่านท่านจึงว่ากาลยานมิตรมิตรที่ดีที่สุดในโลกนี้คือบุญกุศล นับว่าเป็นมิตรที่ดีของชีวิตจิตใจของคนเราไอ้มิตรภายนอกนั่นไม่สามารถที่จะติดตามอํานวยความสุขให้เราตลอดเวลาได้ส่วนมิตรภายในคือบุญกุศลเนี่ยยอมติดสอยห้อยตามอํานวยความสุขให้เวลายังมีชีวิตเป็นอยู่ก็ดีให้จิตใจเบิกบานผ่องใสไม่หลงไหลไปในทางบาปอากุศล พันเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลนี่ก่อนนาบุกิตของบุกกงคคลผู้นั้นให้ไปเกิดในที่มีความสุขความสบายนี่พูดถึงผู้ยังลา ก, กิเลสไม่หมดนะมันต้องเกิดอีกแน่นอนเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ที่มีบุญนะ่ะมีอายุยืนยาวนานเช่นสวรรค์แต่และชั้นเนี่ยอายุยืนมากทีเดียวอืมันเป็นอย่างนั้น เรื่องหวกนี้ใครจะเชื่อ ก, ก็แล้วแต่ไม่เชื่อ ก, ก็แล้วแต่อันนั้นแสดงผลโลกหน้าเฉยๆแท้ที่จริงเรามาทำเหตุปัจจุบันนี้นะให้มันดีไว้ถ้าหากว่าสมมุติว่าโลกหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีอย่างนี้เราสมมุติว่าเราไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและตัดอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ เราอยู่ในโลกนี้ก็สบายดีไม่ต้องมีเวรมีภัยไม่กลัวต่อใครจะมาจองล้างจองผ่านเนี่ยถ้าโลกหน้าไม่มีเราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีความสุขสบายไปเราเว้นจากกรรมชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ห้าประการนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อกิเล อุปทานยังไม่หมดตราบใดแล้วการทำอะไรลงไปมันก็เป็นบาปเป็นบุญไปทุกอย่างนะทำดีก็เป็นบุญไปทำบาทาชั่วก็เป็นบาปไปบาปกรรมบุญกรรมนั้นก็ติดสอยห้อยตามบุคคลผู้นั้นไปเมื่อมันยังไม่ได้ให้ผลมันก็ติดตามไปซะก่นอนก็แสดงว่าโลกหน้ามีแหละที่พระพุทธเจา้าตรัสว่า บาปหรือบุญนั้นติดสอยให้ตามผู้นั้นไปเหมือนเงาติดตามตัวอืออย่างนี้ผูใ้ใดมาภาวนาหรือมาพิจารณาหเห็นแจ้งในเรื่องบาปเรื่องบุญดังกล่าวมานี่แล้วผู้นั้นก็จะกลัวต่อบาปไม่กล้าทําบาปเลยอืมไม่ต้องไม่อ้างชีวิตไม่อ้างครอบครัวความเป็นอยู่อะไรไม่ไม่อ้างมันแหละ หากินโดยทางที่ชอบนี่เนี่ยได้อย่างไรมาก็กินอย่างนั้นบริโภคใช้สอยอย่างนั้นเพราะอายุของมนุษย์ทางหลายมันไม่ยืนยาวไม่ถึงร้อยปีสมมติคนส่วนมากทุกวันเนี่ยถึงก็ น, น้อยคนที่สุดเลยไม่ทันใดเราก็ตายจากโรคนี่แล้วเพราะฉะนั้นจะไปทำบาปไปทำไมสอนตัวเองเข้าไปผู้เชื่อว่า บาปบุญนั่นแก บ, บุคคลคนใดทำบาปทำบุญไปแล้วบุญบาปนั้นยอมตามให้ผลแน่นอนเนี่ยคนใดเชื่ออย่างนี้แล้วนะมันก็ต้องรีบเร่งแหละข้ออายุสังขารมันมีน้อยเหลือน้อยแล้วเกินนะเราก็รู้ไม่ได้ว่าจะตายวันไหนก็รีบเร่งบำเพ็ญเข้าไปชำระจิตใจของตนให้สะอาดของใสเข้าไป ด้วยการภาวนาภาวนาเพ่งจิตใจดวงนี้ให้มันให้มันรู้ว่ากิเลสอะไรมันมีอยู่เราเพ่งเข้าไปแล้วกิเลสอะไรมันมีอยู่มันก็โผล่หน้าออกมาไม่ยงอันเดียมกันเลยมันโผล่ออกมาให้ให้จิตนั่นแหละรู้อ๋ตอตนยังยึดกิเลสอันนี้ไว้อยู่อย่างนี้นะ เมื่อรู้อย่างนี้กำหนดละมันไปเรื่อยๆเพราะมันรู้หน้าตามันนี่รู้ตัวมันอะแต่คนไม่ภาวนาเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นในใจไม่รู้ว่ากี่ตัวกี่ครั้งไม่รู้ตัวเลยอไม่คิดละมันเลยอย่างงี้นะ่ยเดี๋ยวความรักมันก็ให้จูงไปให้ไปเพิดเปิลมัวเมาในกรมคุณในทําชั่ว มีปานาธิบาตบ้างเดี๋ยวก็ความชังมันจูงให้เกิดโทสะพยาบาทเบียดเบียนบุคคลอื่นไปเดี๋ยวความหลงมันก็จูงไปให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าบุญบาปไม่มีโลกหน้าไม่มีสวรรค์พรนิพพานไม่มีอะไรทำนองนี้นะนี่ถ้าบุคคลไม่ไม่เชื่อคำสอนอุ้ยเจ้าไม่ได้ทำความเพียรเพ่ง พินิภาวนาข่มใจให้เข้าถึงความสงบแล้วไอก้กิเลสทั้งหลายดังกล่าวมานี่มันก็ครอบงำจิตใจได้ทำให้ใจนั้นร้อนไม่เยือกเย็นสบายเลยอยู่แต่ละวันแต่ละคืนร้อนด้วยไฟคือราคะร้อนด้วยไฟคือโทสะร้อนด้วยไฟ ค, คือโมหะ ไฟคือกิเลสสามกองนี่แหละพระองค์เจ้าเปรียบเหมือนอย่างไฟเป็นความจริงนะถ้าเกิดขึ้นในใจของผู้ใดแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งก็เผาใจเราร้อนจริงๆเหมือนเอาไฟมาร่นายนี่แหละเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนะี่ยผู้ภาวนาเห็นโทษของกิเลสตั้งกล่าวมานี่แล้วมันก็รู้ได้เลยว่ากิเลส นี่เมื่อตนสะสมไว้มันก็จะบันดาลให้ตนทําบาปทําความชั่วใส่ตัวตายแล้วก็จะไปตกนรกอบายภูมิอย่าเลยอย่าไปเลี้ยงกิเลสล่า น, นี้ไว้เลยต้องละมันมเห็นความโกรธมันโผล่มาก็ละความโกรธความรักมันโผล่มาก็ละความรักนั้นเอาละอย่างไร ถึงขั้นนี้ต้องละด้วยปัญญาเนี่ยต้องมองเห็นว่าความรักความชางังความโกรธความหลงมัวมอหลุนล้วนแต่เป็นสังขารไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนที่จะเราจะมาหวันไไหวมาตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้เพราะว่ากิเลสทั้งหลายเราเนี่ก็เป็นสังขารมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดูแต่ ความคิดที่เกิดขึ้นในใจนี่เป็นไงอ่ะเมื่อมันคิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปจะเป็นกิเลสก็ตามจะเป็นบุญกุศลก็ตามแหละเหมือนกันอา้าวถ้าอย่างนั้นทำบุญมันจะได้บุญเหรอได้ทำไมจะไม่ได้เมื่อทำบาปมันได้บาปแล้วมันทาบุญมันก็ได้บุญสิแต่แล้วไอ้ความคิดที่เป็นบาปเป็นบุญเนี่ยมันคิดขึ้นแล้วดับไป แต่ว่าเชื่อของมันมีอยู่ในใจให้เข้าใจอย่างนั้นเช่นเชื่อแห่งความโกรธอย่างนี้นะมันมีอยู่นั่นนะแต่ความคิดที่จะไปประหัดประหานผู้อื่นนั่นที่ก่อนหน้ามันก็ดับไปจริงแหละแต่แล้วความโกรธความไม่จับบัยังมีอยู่ในหัวใจนั่นอันนั้นเราเป็นมูลเหตุทาให้ใช้กายวาจาไปประหัดประหารผู้อื่นนะ ไอาการบุญกุศลก็เหมือนกันนะไอความไม่โลภนั่นมันมีเป็นพื้นฐานของกิจใจอยู่เมื่อขจัดความโลภออกไปแล้วนี่เมื่อผูใ้ใดให้ทานอะไรลงไปอย่างนี้ความคิดความรู้สึกในการให้ทานนะั้นมันก็ดับไปเหมือนกันนะแต่ว่าความไม่โลภมันมีในหัวใจ น, ะนั่นแ่ละเป็นกุศลมูลนะ อมไม่อยากได้ของใครต้นหาได้ยังไงก็บริโภคอย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นความไม่โลภมันเป็นเหตุให้คนเราได้ทําบุญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปความไม่โกรธก็เป็นเหตุให้คนเราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนพอช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไป ถ้ามันเหลือวิสัยช่วยไม่ได้ก็วางอุเบกขาลงคนผู้ไม่โกรธนะมีพรหมวิหารอยู่ในใจเป็นอย่างนี้แหละคนผู้ไม่หลงนั่นเดีย ว, ว่มีภาวนาอยู่ในใจภาวนารู้ตัวอยู่เสมอเสมอรู้ว่าราคะมันเบาบางจากใจของตนก็รู้หรือว่าราคะมันหนาแน่นอยู่ในใจก็รู้อย่างนี้นะ รู้ว่าโทสะมันเบาบางไปจา ก, กจิตใจก็รู้โทสะมันหนาแน่นอยู่ในจิตใจก็รู้นั่นแะรู้ว่าตนพยายามภาวนาทำความหลงให้เบาบางออกไปความหลงได้เบาบางไปจา ก, กจิตใจจริงๆความรู้ความฉลาดความรู้แจ้งบางเกิดขึ้นในใจเช่นรู้ว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาป สุขทุกข์เกิดจากการกระทำบุญและบาปเป็นมูลเหตุรู้อย่างนี้เียว่ารู้เบื้องต้นของพุทธศาสนารู้ตอนต่อไปก็รู้ว่าตนละกิเลสหมดไปจากกิจใจเท่านั้นเท่านี้รู้ชัดแจ้งในใจของตนด้วยตนเองนี่เรียกว่าเป็นความรู้อย่างสูงความรู้เหล่านี้เกิดขึ้นแลว้วความหลง มันก็หายไปมันเป็นอย่างนั้นครู้นั้นก็เลยรู้ตัวได้วันนี้โอ้ตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ดีไม่ได้ทำบาปอะไรวันนี้บาปที่ทำมาก็ละหมดไปแล้วนี่ก็รู้ตัวได้เลยว่าจิตดวงนี้แหะบริสุทธิ์พุทผ่องจากบาปจากโทษต่างๆทาวายังละกกิเลสไม่หมด มันก็จะเหลืออยู่กิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดพิว่าอย่างงาบที่จะพายไม่ทาบาปทำกรรมมันชั่วนั้นละหมดแล้วมันรู้มันรู้ที่แบบนี้เมื่อระงับความหลงออกไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทําให้เกิดความรู้ขึ้นมาเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่สงสัยแล้วเพรามันรู้ด้วยใจนี่ รู้ด้วยปัญญานะมันจะสงสัยอะไรแล้ววะนี่เพราะว่าถ้าสวรรค์นในอกในใจมีสวรรค์โลกหน้าก็ต้องมีอย่างนี้นะถ้านรกในใจนี่มีนรกในโลกหน้ามันก็มีถ้าไม่มีอะไรอยู่ในใจนี่แล้วโลกหน้าก็ไม่มีนี่มันเห็นแจ้งประจักษ์อย่างนี้นหะ ถ้าหากว่าบาปก็ละไปเรื่อยๆจนหมดสิ้นลงไปจากจิตใจบุญก็พยายามสั่งสมด้วยการเจริญศินสมาธิปัญญาหรือว่าด้วยการให้ทานรักษาสินภาวนาไปเรื่อยๆดังกล่าวมาเนี่ยบุญก็ย่อมเจริญงอกงามขึ้นในใจของผู้นัน้นเพราะว่าผู้นั้นได้รู้ตัวแล้วนี่ว่าเวลาไหนก็เวลาทําบุญทั้งนั้น เวลาสั่งสมบุญได้เกิดขึ้นในใจอา้าวทำไมถึงว่าอย่างนั้นเหตุที่ว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าบุคคลผู้ไม่หลงไม่เมาแล้วย่มมีสติประคับประคองจิตใจของตนให้ดีอยู่เสมอไม่ให้ใจมันโลภมันโกรธมันหลงมันมั ว, มวเมาให้สติมีประจำอยู่กับจิตใจ เห็นแจ้งในนามรูปนี่ตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเราของเขาไม่ใช่ตัวตนอะไรอย่างนี้นะมันเห็นแจ้งอยู่นิดด้วยปัญญาจริงๆเลยเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบไปขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้าไฟลมเท่านั้นหละไม่มีอะไรแล้วกับวิญญาณธาตุอากาศธาตุ รวมเป็นท่านหกนี่นะเมื่อเมื่อท่านหกนี่มีแล้ววันนี้ก็เป็นคนขึ้นมาได้ถ้าวิญญาณยังไม่เข้ามาอาศัยอยู่รูปวันนี้จะเป็นคนขึ้นไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้น <c oughs> พิจารณาให้มันเห็นว่าบุญ <c oughs> บุญก็ดีบาปก็ดีมันเป็นเจตสิกรธรรมเกิดขึ้นกับดวงจิตนี้โดยตรงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเอาเอาบุญระงับบาปเอาไงเอาบุญระงับบาปก็ยกตัวอย่างว่าในขณะที่มันมันโกรธขึ้นมานั่นเราเนึกถึงเมตตาธรรมขึ้นมาแบบนี้ เมื่อเมตตาธรรมบางเกิดขึ้นมีกำลังเหนือต่อความโกรธนั่นครบโกรธแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ระ ง, งับไปเอเมตตาธรรมเกิดขึ้นมาแทนนี่ที่เรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญนะให้เข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทําอย่างนี้เรื่อยไปอย่างว่าเมื่อความรักมันเกิดขึ้นไม่นี่นะ เอาเรานึกถึงอาตุภกรรมฐานมาอมันรักมันก็รักรูปกายอันนี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดแล้วรูปกายนี่มันสวยงามน่ารักจริงเลยเพ่งวิญญาณดูแล้วก็เห็นว่ามันมีแต่สิ่งโถโครกโถกโระปกมีแต่ผิวหนังหุ้มอยู่เท่านั้นแนหะพอดูได้ถ้าลอกผิวหนังออกแล้วกายวิว่านื้อใหญ่ต่งตางๆดูไม่ได้เลย มีแต่นำเลือดนำเหลือยงนำน้องอุจาระปัสสะอะไรไหลออกมาทิ้งไว้นานหน่อยก็ส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วเนี่ยรูปกายอันนี้เนะี่ยมันทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นของโศโกโกกโกลกด้วยอย่างนี้นะแล้วเมื่อเมื่อจิตมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็คลายความยึดถือความพอใจคลายความโกรธออกไปไม่ทราบยุ้ยโกรธอะไร กดให้รูปอันไม่เที่ยงรูปเน่ารูปเหม็นอันนี้ถึงไม่ฆ่ามันก็แตกดับทำลายเองมันดอกหมดบุญเก่ากรรมเก่าตกแต่งมาแล้วแล้วก็มันก็แตกทำลายลงสู่พื้นดินเท่านี้แหละร่างกายอันนี้ไม่มีอะไรนามมาทำละงาสายร่างกายนี้เป็นอยู่ดังที่เคยพูดมาบ่อยๆก็ต้องพูดอีกกันลืม นามธรรมก็อาศัยอยู่ในรูปกายนี่เองเช่นเวทนากายกับจิตสัมผัสถูกต้องกันเกิดความรู้สึกขึ้นมาจิตสเสวยอารมณ์เหล่านั้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างท่านกบ็บรญยติว่าเวทนาอย่างนี้นะสัญญาก็ความจำหมายจำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ทั้งดีทั้งชั่วอะไรจำมดุดสังขารสภาพที่ปุงแต่งจิตใจให้คิดดีบ้างชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่ท่านในว่าสังขารทานะสังขารโลกนั่นได้แก่โลกที่เราอยู่อาศัยอยู่นี่แหะดินน้ำลมไฟ ด, ดินฟ้าอากาศต่างๆมนีม้แล้วก็ สัตว์โลกได้แก่มนุษย์และสัตว์อิทรีย์ฉานและพวกเปรตพวกภูมิเทวดาลุกเทวดาก็อาศัยอยู่ในโลกอันนี้เนะี่ยจึงเดีย ว, ว่าสัตว์โลกสัตว์ผู้อาศัยอยู่ในธาตุสี่ธาตุหกอันนี้แหละนี่แหลเราพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะออกให้เป็นธาตุเป็นสภาวะธรรม ที่ไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรเลยอย่างนี้นะแล้วพ่ายามแยกแยะออกไปดูมันก็เห็นจริงๆถ้าใจสงบอยู่ภายในแล้วอันซึ่งมันจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีเห็นชัดเจนทีเดียวแหละไอ้ที่บุคคลไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้น้อมใจเขาไปสงบอยู่ภายในเลย มีแต่ส่งใจปล่อยใจคิดสั้นไปตามอารมณ์ต่างๆภายนอกนู่นแล้วอย่างนี้มันจะมารู้แจ้งในร่างกายสังขารที่ทำเป็นจริงได้อย่างไรอ่ะโดยคิดดูอย่างนั้นผู้รู้แจ้งได้ก็เพราะว่ามองเห็นแล้วว่าโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดเราจะคิดไปเพ่งไปเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดเลยก่อให้เกิดความเสียใจดีใจอยู่ร่ำไปอย่างนั้นคิดไปเท่าไหร่อ่ะ นั่นอยากอยากคิดไปเลยดีกว่ามเตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะมันก็หยุดเท่านั้นแหละมมันรู้ตัวามาน้อมสติเข้าไปยังสติเข้าไปตามลมหายใจเข้าออกเข้าไปหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตนปงวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหายใจออกก็รู้ว่าจิตปงคิดวางอย่างนี้นะ หายใจเข้าหายใจออกทำความรู้แจ้งในตัวเองอยู่เนี่ยเพราะว่าในขั้นตอนต้นได้ละตนได้วางต้นได้ทาความเพียรรู้เท่าอะไรต่ออะไรมาแล้วพอมาถึงตอนปลายนี่วันนี้เราก็มากำหนดรู้เห็นแต่ความเกิดความดับของสังขารทั้งหลายเท่านั้นเลยเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็เบื่อหน่าย มันก็วางเท่านั้นเนีะไในถือมั่นในความเกิดความดับอันนั้นก็รวมจิตทั้งปเป็นหนึ่งพร้อมด้วยญาณความรู้เนยญาณความรู้มันก็ปรากฏอยู่ในใจนั้นอะไรมากระทบเข้ามันก็รู้ว่าเป็นของเกิดของดับไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยเห็นแต่ความเกิดความดับเท่านั้น ไม่เห็นว่ามีตัวมีตนอะไรเช่นลูกคนมากระทบตานี่ตาหนังนี่แล้วตาในตาใจมันก็รู้ชัดว่านั้นลูกก็กจะก็จะลูกไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรเสียงมากระทบหู ก, กินมากระทบจมูกรสกระทบลิน้นเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายก็ดีมันก็สักแต่ว่า มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอยู่อย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ญาณความรู้อั น, นิกรรมหนดรู้ความเกิดความดับของทั้งขารทั้งหลายเมื่อรู้ชัดว่ามันมีแต่เกิดกับดับเท่านั้นแล้วก็ลงก็วางความรู้ความเห็นอันว่ามันเกิดมันดับเนั่นลงวางเสียเมื่อวางแล้วความ รู้ความจำไอ้เกิดดัวก็มันก็หายไปมันก็ระ ง, งับไปยังเหลือแต่ความรู้อันเป็นปัจจุบันติดตั้งมั่นอยู่ด้วยดีป่ะนี้รู้แจ้งอยู่ประจักษว่าตนตนได้ละความยึดถือในเรื่องของไม่เที่ยงเหล่านั้นแล้วก็รู้ชัดตามเป็นจริงการรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้เสื่อม เมื่อเมื่อเรารักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ไม่ให้เสื่อมแล้วต่อไปพิีน่นาอะไรก็กําหนดความรู้อันเดียวนั่นแหละพี่นาอะไรเรื่องอะไรก็ความรู้อันนั้นแหละมันจะตามไปรู้ไปเห็นสิ่งที่เราต้องการรู้กันเห็นโมนั่นนะไม่ใช่อย่างอื่นใดรู้อะไรมันก็รู้ชัดเห็นจริงเพราะว่ามันได้หลอมรอบุญกุศลความดีต่างๆ เข้ามาสู่จิตนี้จนกลายเป็นงานความรู้ขึ้นไปแล้ววะ น, นี้ความรู้ความฉลาดนั่นนะมันไปนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความรู้อันนั้นมันยึงไม่ค่อยเสื่อมหมดนี้นะนั่นนะ่ะเพราะมันกลั่นกองมาหลายระยะมาแล้วให้รู้อย่างนี้ เพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อรู้เมื่อเข้าใจอุบายวิธีฝึกขนอบรมจิตใจดังกล่าวมาี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในอพิมาต ธ, ธรรมคือความไม่ประมาทเพียรพยายามให้เกิดความรู้ความเห็นแจ้งตามเป็นจริงในสังขานทั้งหลายดังกล่าวมาี้แล้ว น, นับว่าเราจะไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาดังกล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นนั้นเราจะมีจิตเป็นอิสระอยู่เหนือกิเลสตัณหาดังแสดงมา